รธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าดูบุคคลก่อนแล้วจึงพูด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 มันจะทะเลทถลายแหละท่นี้รานั้นพระที่บวชก่อนที่ได้รับการศึกษาดีแล้วควรจะเป็นหลักให้พระนวกะนิพพะบวชใหม่ไม่ใช่ว่าจะให้พระบวชใหม่พาไปยังไงดึงถูถยไปพระเก่าก็เผลอเสียไปด้วยเสียกฎนะาเบียบเสียขนบธรรมเนียมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินทั้งที่ได้รับการอบรมจาก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 นายเจียวเรือนขี่โมโหงั้นจากนั้นก็ไปไปาจะไปเขาไปพระก็ดีใจให้พอไปแล้วเถนี่พอไปกลางถึงกลางแม่น้ำเลยพายเรือโค้งไปเคงมาโค้งไปเค่งมาแค่แค่บดแกล้งพระนั้นเอยโมโหให้พระทำไมยุ่งเหยิงวุ่นวายพระนี่ลักษณะอย่างนั้นเอาไปบาดเกือบตกน้ำเหือนงั้นทั้งบาด ท, ทั้งจีวรโคง้งไปน้ำกระชอกเข้าไปในเรือผ้าเปียกม